เจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส8ปดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล ที่เป็นปัจจัยสี่ของจิตใจร่างกายก็ต้องการปัจจัยสี่จิตใจก็ต้องการปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ของร่างกายคืออะไรคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจิตใจก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกันปัจจัยสี่ของจิตใจคืออะไร ก็คือบุญกุศลต่างๆที่เรามาสร้างกันบุญกุศลนี้จะเป็นอาหารทิพย์เป็นบ้านทิพย์เป็นที่อยู่อาศัยทิพย์เป็นยาทิพย์รักษาใจพ่อใจเป็นกายทิพย์ใจไม่ได้เป็นกายยาเหมือนร่างกายปัจจัยสี่ของใจจึงต่างกับปัจจัยสี่ของร่างกาย แต่มีความจำเป็นเหมือนกันถ้าร่างกายขาดปัดจจัยสี่ร่างกายก็จะไม่สบายจะทุกข์จะเดือดร้อนและอาจจะตายไปก็ได้ใจก็เหมือนกันใจก็ต้องการปัจจัยสี่ทิพย์ถ้าขาดปัดจจัยสี่ทิพย์ใจก็เดือดร้อนใจก็ทุกข์ใจก็วุ่นวาย สาเหตุที่พวกเรามีความทุกข์ทางใจกันก็เพราะว่าเรากําลังขาดปัดจจัยสี่ของใจนั่นเองโดยที่เราไม่รู้เพราะเรามม่แต่ไปหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายแล้วก็ไปหาปัจจัยสี่ให้กับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นยาพิษของใจเป็นเหมือนยาเสพติดตอนนี้เรามีเจ้านายหรือมีที่ คนที่เราต้องดูแลอยู่สามคนคือร่างกายหยาบร่างกายทิพย์แล้วก็กิเลสตัณหาส่วนใหญ่เราจะดูแลร่างกายหยาบ ก, กับกิเลสตัณหากันส่วนใจของเรานี้ไม่ค่อยได้รับการดูแลกันใจของเราแทนที่จะมีความสุขก็เลยมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเรา รับใช้ร่างกายด้วยการหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคมาให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราอยู่สบายแล้วเราก็มารับใช้กิเลสตัณหาหาของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคือให้มีมีมากเกินความจำเป็นถือว่า เป็นการหาให้กับกิเลส ต, ตันหาเช่นถ้าเรามีอาหารพอแล้วเรายังหามาอีกอย่างนี้เรียกว่าหาให้กิเลสมีเสื้อผ้าพอแล้วมีบ้านอยู่แล้วมีเงินมีทองไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายพอเพียงแล้วแต่เรายังหามาเพิ่มอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าหาให้กิเลส ต, ตันหาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรนอกจากทำให้ จิตใจของเราทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเองเพราะเวลามีอะไรมากก็เกิดความยึดความติดความรักความหวงมากขึ้นไปยิ่ ง, ย, งยิ่งมีมากก็ยิ่งมีความทุกข์มากและเวลาต้องจากมันไปก็ยิ่งทุกข์มากนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปรับใช้คือกิเลสตัณหาอย่าไปทำตามความอยากต่างๆ อย่าไปทำตามความโลภต่างๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ทั้งกับทางร่างกายและจิตใจอกับกับจะเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจเช่นอาหารถ้าเรารับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายร่างกายก็จะพองขึ้นมาเป็นตุ่มแล้วก็ต้องมีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนโรคความดันโรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคไขมันอุดตันตายก่อนวัยหรือถ้าไม่ตายก็พี่กนพิการอามาพิกอามาพาดเพราะกินมากเกินไปกินได้ความอยากการกินนี้อยากกินด้วยความอยากกินเหมือนกินยากินตามเวลาและกินตามที่หมอสั่งไม่ใช่กินยาเกินขนาด กินยาเกินขนาดก็ทำให้ยาเป็นพิษต่อร่างกายได้อาหารก็เป็นเหมือนยาถ้ากินเกินขนาดเกินความต้องการของร่างกายก็ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการและตายก่อนไวัยได้เราจึงไม่ควรที่จะมารับใช้กิเลสรับใช้ร่างกายกับรับใช้จิตใจ เพราะการรับใช้กิเลสตัณหามันจะมาทำลายร่างกายและจิตใจของเราทำให้ใจของเรามีความทุกข์มากขึ้นเพราะเวลาเราทำอะไรตามความอยากแล้วเราก็อยากจะทำไปเรื่อยๆพอเวลาไม่สามารถทำได้เราก็จะทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากเวลาเราไม่มีอะไรทำเราอยู่เฉยๆ เราก็จะไม่ทุกข์กันทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะว่าเราทำตามความอยากกันทำแล้วก็ไม่มีวันจบอยากแล้วก็อยากอีกอยากได้นู่นพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากได้นี่ต่อพออยากได้นี่แล้วก็อยากจะทำนู่นต่อทำแล้วก็อยากจะดูต่ออยากจะฟังต่อนี่คือการรับใช้กิเลส ท, ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่จิตใจหรือกับร่างกาย มีแต่จะทาให้ร่างกายชำรุดสุดโทรมมากขึ้นจิตใจก็ทุกข์วุ่นวายเครียดมากขึ้นสิ่งที่เราควรที่จะมาดูแลรักษาก็คือจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราต้องการอาหารทิพต้องการเครื่องนึ่งห่มทิพต้องการที่อยู่อาศัยทิพต้องการยาทิพ์ถ้าเรามี ของทิพย์เหล่านี้มาเลี้ยงดูจิตใจใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความสบายจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆในกระทั่งร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็จะไม่ทําให้ใจวุ่นวายไม่ทําให้ใจเดือดร้อนเพราะใจมีอาหารทิพย์มีเครื่องนุ่มหอมทิพย์ มีที่อยู่ทิ่มียาทยิ่คอยเลี้ยงดูรักษาใจเหมือนกับร่างกายที่ไม่เดือดร้อนที่ร่างกายมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์คนที่ไม่มีปัจจัยสี่กัค บ, บ, บคนที่มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์คนไหนจะสบายกว่ากันฉันใดใจที่มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์กับใจที่ไม่มีเจ็ปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ก็ไม่เหมือนกัน ใจที่มีปัจใจสีค่ครบบริบูรณ์นี้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตาสาวกนี้ท่านมีปัจใจสีค่ครบบริบูรณ์ท่านจึงไม่มีความทุกข์อยู่ในใจมีแต่ปรลมะสุปรมังสุขขังพวกเราก็สามารถทำใจของพวกเราให้เหมือนของพระพุทธเจ้าให้เหมือนกับพระอาหารหันตาสาวกได้ เพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระสาวกมาบอกวิธีให้กับพวกเรานั่นเองวิธีสร้างปัจจัยสี่ให้กับพวกเราปัจจัยสี่ทิพย์ที่จะทำให้ใจเรามีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์นอาหารทิพย์ของใจคืออะไรก็คือทานที่พวกเรามาทำกันในวันนี้ตอนนี้เรากำลังให้อาหารกับใจเราเวลาทำทานแล้วรู้สึกไง อิ่มใจหรือหิวใจใจอิ่มไม่เหมือนกับเวลาทำอะไรให้กับตัณหากิเลสความอยากทำแล้วแทนที่จะอิ่มกับหิวเ mm hmm. ช่นไปเที่ยวมา mm hmm. พอกลับมาแทนที่จะอิ่มแทนที่จะพอกับอยากจะไปเที่ยวอีก <Yeah. S 1> ไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ามากลับมาจากวะกลับมาที่บ้านเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วอยากจะซื้ออีกแล้ว นี่คือการทาทาให้อาหารกับกิเลสกับให้อาหารกับใจไม่เหมือนกันให้อาหารกับใจจะทำให้ใจเราทุกข์กันทำให้หิวกันให้อาหารกับใจจะทำให้ใจเราอิ่มเช่นเงินทองที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยวันนี้เราก็เอามาซื้ออาหารซื้อของจำเป็นมาถวายพระดีกว่า พอเราถวายพระด้วยด้วยข้าวของเงินทองที่เราแทนที่จะไปเอาไปซื้อของตามความอยากหรือไปทำตามความอยากเราก็จะมาทำทานกันพอเราทำแล้วเราก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเกิดความพอใจขึ้นมาเกิดความภูมิใจขึ้นมานี่คืออาหารของใจอาหารทิพย์ของใจ แต่ถ้าเราเอาเงินที่จะมาทำบุญทำทานนี้ไปเที่ยวไปเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยพอเราใช้หมดแล้วแทนที่เราจะมีความอิ่มใจสุขใจภูมิใจพอใจเรากลับมีความอยากเกิดความหิวอยากจะเที่ยวต่ออยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่อไปนี่คือความแตกต่างของการใช้เงินทองระหว่าง ใช้กับกิเลสตัณหากับใช้ให้กับจิตใจมีผลไม่เหมือนกันใช้ให้กับจิตใจด้วยการทำบุญทาทานทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วจะเป็นเงินฝากของใจเวลาที่ออกจากโลกนี้ไปสู่โลกทิพย์เวลาเราออกจากโลกนี้ไปใจเราไปสู่โลกทิพย์ใจเราเอาเงินทองที่เราหามาได้นี้ไปไม่ได้เลย แต่ใจเราจะเอาเอาเงินทิพย์ไปได้เงินทิพย์ก็คือเงินที่เกิดจากการทำบุญทำทานของเรานี่แหละคนที่ทำบุญมากๆเวลาตายไปยึงกลายเป็นเศรษฐีในโลกทิพย์เศรษฐีในโลกทิพย์ก็คือพวกเทวดาต่างๆส่วนพวกที่ไม่ทำบุญนี้เวลาตายไปก็ไปเป็นขอทานในโลกทิพย์พวกขอทานในโลกทิพย์นี่ก็คือพวกเปรตนี่เอง พวกที่มารอรับส่วนบุญของพวกเราอยู่ในวันนี้เขาตอนที่มีชีวิตอยู่เขาเอาเงินไปใช้ตามกิเลสตัณหาใช้ตามความอยากตามความต้องการต่างๆของเขาเขาเลยไม่มีเวลามาทำบุญทำทานกันแล้วพอเขาตายไปเงินทองที่เขาหามาได้ก็เอาไปไม่ได้เงินทองที่ใช้ไปกับกิเลสก็หมดไป ก็ต้องไปแบบขอทานเลยต้องมารอรับบุญกุศลที่พวกเราทํากันในวันนี้แล้วแบ่งไปให้เขาแต่บุญกุศลที่เราแบ่งไปให้เขานี่ก็แบ่งไปได้เพียงนิดเดียวเพราะว่าเงินเป็นเงนกำเนินที่เราให้ขอทานเราจะให้ขอทานเงินเยอะๆหรือเปล่าหรือเราให้พอให้เขาประทังชีพไปได้วันๆเนึ่งฉันใดบุญอุทิศนี้ก็เป็นแบบเงินที่ให้ขอทาน ถึงแม้เราจะทำมากมายกายกองก็แบ่งให้เขาได้เพียงเท่าที่เขารับได้เท่านั้นเองเงินให้ขอทานเราจะไม่ให้เขาเป็นพันเป็นหมื่นเพราะเดี๋ยวเขาก็จะไม่มีที่เก็บเดี๋ยวก็หายได้หรือเอาไปใช้ของที่ไม่จำเป็นเป็นโทษกับเขาได้เป็นซื้อสุรายาเมาไปเล่นการพนันเราจึงไม่ให้เงินกับขอทานมาก นั้นใดบุญที่เราจะอุทิศให้กับเปรตผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่ก็ให้ไปได้ไม่มากดังนั้นพวกเราอย่าประมาทในเรื่องของบุญของกุศลถังแม้ว่าเราจะไม่รู้ความจริงของบุญของกุศลของใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายว่าจะต้องพึ่งบุญพึ่งกุศลก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านมีตาทิพท่านเห็นใจเห็นกายทิพท่านเห็นโลกทิพท่านเห็นเศรษฐีท่านเห็นเศรษฐีในโลกทิพท่านเห็นขอทานในโลกทิพต์แล้วท่านเห็นเหตุที่ทำไมทาให้เป็นเศรษฐีในโลกทิพ์และอะไรเป็นเหตุทำให้เป็นขอทานในโลกทิพต์เหตุก็คือการทำบุญทำทานนี่เองถ้าทำบุญทำทานไป เงินที่เราทำบุญนี้จะกลายเป็นเงินที่เราเอาไปใช้ได้ในโลกทิพย์ต่อไปแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็ยังมีเงินรออยู่ในโลกมนุษย์อีกกลับมาเกิดก็จะรวยกว่าเก่าสมมติว่าชาตินี้มิเศรษฐีเงินสิบล้านชาติหน้ากลับมาก็จะเป็นเศรษฐีร้อยล้านอาศัยบุญที่เราทำกันนี้เป็นเหมือนเงินที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารฝากแล้วก็มีดอกเบี้ยด้วย พอมาเบิกก็ได้มากกว่าที่เราฝากนี่คือประโยชน์ของการที่เราทำบุญทำทานเป็นเหมือนกับการให้อาหารให้เครื่องใช้ไม่ส้อยต่างๆแก่จิตใจเป็นประโยชน์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และตายไปแล้วและหลังจากนั้นก็กลับมาเกิดเป็นประโยชน์ต้องสามต่อ เป็นประโยชน์ตอนนี้เป็นประโยชน์ตอนที่ตายไปแล้วและเป็นประโยชน์ตอนที่กลับมาเกิดใหม่เนี่ยได้กำไรต้องสามสามต่อดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปเล่นกันเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งในในบ่อในเหวไม่มีประโยชน์อะไรตายไปก็ไม่มีอะไรรองรับกลับมาก็ก็ไม่ได้รวยกว่าเกา่า ดีไม่ดีอาจจะจนกว่าเก่าถ้าเงินทองที่หามาได้นี้หามาได้ด้วยการทำบาปเช่นไปช่อโกงคอร์รัปชันนี่าตายไปกลับมาแทนที่จะรวยกว่าเก่าหรือรวยเท่าเก่ากลับจะจะยากจนกว่าเก่าเพราะเงินที่ทำหามาได้ด้วยการทำบาปนี้ต้องต้องคืนเข้าไปนั่นเองเงินที่เราขโมยเข้ามาเวลาตำรวจจับเขาก็จะยึดทรัพย์ของเรา คืนเจ้าของเขาไปอย่นใดเงินที่เราหามาได้ด้วยการทำบาปทำคอร์รัปชันต่างๆก็เป็นเหมือนเงินที่เราจะต้องถูกเขายึดคืนไปดังนั้นขอให้พวกเรานะพยายามทาบุญกันอย่าทาบาปกันการไม่ทำบาปก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลนี่ก็จะทำให้เรามีเสื้อผ้าอภารรที่สวมใส่ให้แก่กายทิพย์ของเรา กายทิพย์ของเราจะสวยหรือไม่สวยนี้อยู่ที่การทำบาปหรือไม่ทำบาปถ้าเราทำบาปนี้กายทิพย์ของเราจะไม่สวยเป็นเหมือนคนใส่เสื้อผ้าขาดขาดดูแล้วก็ไม่สวยงามแต่คนที่ไม่ทำบาปคนที่มีศีลนี้เป็นคนเหมือนกับมีเสื้อผ้าอาพรวิจิตพิสดารสวยงามใส่แล้วก็ทาให้น่าดูหน้ า, นาชมคนที่ ทำบาปกับคนที่ไม่ทำบาปนี้คนไหนเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมน่าชื่นชมยินดีเราอยากจะคบกับคนทำบาปไหมคนที่ชอบฆ่าคนที่ชอบลักทรัพย์คนที่ชอบประพฤติผิดประเวณีคนที่ชอบพูดปดคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาหรือเราจะชอบคนที่ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่เดื่มสุรายามานั่นแหละคือความสวยงามของของใจของพวกเราเราอย่าไปเสริมความงามผิดที่ความงามของร่างกายนี้ต่อให้เสริมสวยงามขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นความงามชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องต้องตายไปพอเวลาแก่เวลาตายร่างกายนี้ก็ไม่น่าดูน่าชมเลย แล้วก็ความสวยงามของร่างกายก็ไม่ดูดเดือเหมือนกับความสวยงามของใจสมมติว่าเรามีเสื้อผ้ า, าพรราคาแพงๆไว้สวมใส่มีเครื่องประดับมีเพชรดินจินดามีสร้อยมีแหวนมีอะไรประดับแต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีศีลนี่ไม่มีใครก็อยากจะอยู่ใกล้ด้วยถ้าใหม่ๆเขาไม่รู้เขาอาจจะหลงอยากจะอยู่กับเราใกล้ชิดกับเรา พอเห็นรูปร่างหน้าตาสวยงามมีเครื่องสำอางมีเครื่องประดับทำให้ดูแล้วเป็นเหมือนนางฟ้าเหมือนเป็นเหมือนเทวดาแต่พอได้พบปะกันได้เห็นธาตุแท้ออกมาก็จะไม่อยากจะคบด้วยถ้ารู้ว่าเขาเขาฆ่าเราได้ถ้าเราไปทำอะไรให้เขาโกรธเขาลักทรัพย์ของเราได้ถ้าเขาอยากได้ ถ้าเขาอยากได้แฟนเราอยากได้สามีภรรยาเราเขาก็จะมาประพฤติผิดประเวณีกับแฟนเราสามีเราเขาอยากจะโกหกหลอกลวงเราเขาก็โกหกเขาอยากจะดื่มสุรายามเมาเขาก็ดื่มถ้าเป็นคนแบบนี้ต่อให้ร่างกายสวยงามขนาดไหนก็ตามก็ไม่เป็นที่น่ารักน่าคบค้าสมาคมด้วย แต่ถ้าร่างกายไม่สวยงามแต่จิตใจสวยงามนี้ก็จะมีคนคบคาสมาคมดูพระสงฆ์องค์เจ้าร่างกายสวยงามนะหัวลดนโดนเสื้อผ้าก็ใส่สีเหมือนกันหมดแต่ทำไมมีคนมาศรัทธามีคนมาเคารพมานับถือเพราะว่าพระท่านสวยงามทางใจพระท่านมีศีลต้อง227ข้อ มีเครื่องประดับต้อง227ชิ้นพวกเรามีเครื่องประดับ5ชิ้นหรือเปล่ามีมีศีลหรือเปล่าอันนี้เราดูเปรียบเทียบกันดูแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของการมีศีลจะเห็นว่าศีลนี่แหละเป็นเครื่องประดับของเราเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามของพวกเรานี่คือเครื่องนุ่งหอมของของ ของใจของกายทิพย์ของพวกเราคือการมีศีนแล้วส่วนที่อยู่อาศัยของของกายทิพย์ของเราคืออะไรที่อยู่อาศัยของกายทิพย์ของเราก็คือความสงบถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ใจเราจะมีความสุขความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะหายไปหมดเวลาเราทำใจให้สงบ เหมือนกับเวลาที่เราอยู่นอกบ้านเราจะมีความหวาดระแวงหวาดกลัวกับภัยอันตรายต่างๆพอเราเข้าไปในบ้านแล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยจะรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจนะบ้านของร่างกายเป็นที่พึ่งของร่างกายทำให้ร่างกายปลอดภัยบ้านของใจก็คือความสงบก็จะทำให้ใจของเรา สบายทำให้ใจของเราปลอดภัยเช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้สาเหตุที่ใจเราวุ่นวายจิตใจเราไม่สงบเพราะเราไม่ยอมสร้างบ้านให้กับใจของเราวิธีสร้างบ้านให้กับใจของเราก็คือการสร้างสติขึ้นมาสตินี้เป็นเหมือนกับวัดสดุที่เราเอาจะมาเอามาใช้สร้างบ้านก่อนที่เราจะสร้างบ้านได้เราก็ต้องมี หินมีอิฐมีปูนมีทรายมีเหล็กมีไม้มีอะไรต่างๆเราถึงจะสามารถสร้างบ้านขึ้นมาได้ฉันใดเราจะสร้างความสงบให้เป็นบ้านของเราเราก็ต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่สามารถทําใจให้สงบได้เพราะใจจะคิดเรื่อยเปื่อยคิดอยู่นั่นคิดอยู่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไปตั้งแต่ตื่น คิดไปจนหลับเวลาหลับแล้วบางทีก็ยังคิดต่อความคิดในตอนที่เราหลับก็คือความฝันนี่เองดังนั้นเราควรที่จะมาหยุดความคิดกันและสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติสติจะสร้างขึ้นมาก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือให้เราท่องพุทโธไปถ้าเราท่องพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดก็จะหยุดเราก็จะสามารถควบคุมความคิดได้พอเราควบคุมความคิดได้เราก็ทำใจให้สงบได้พอใจสงบใจเราก็สบายมีความสุขไม่มีความทุกข์พะความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากความคิดของเราเนี่ยพอเราคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจขึ้นมา พอเราหยุดความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ทำให้เราไม่สบายใจได้ความทุกข์นั้นก็หายไปไม่เชื่อลองไปอยู่ที่น่ากลัวดูไปอยู่ในปา่าช้าแล้วพอใจเราเริ่มคิดถึงผีในีใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราใช้พุทโธหยุดความคิดได้ความผีมันก็จะหายไปความกลัวก็หายไปเวลาเราเกิดความโกรธก็เช่นเดียวกัน เวลาเกิดความโกรธนี่ใจนี่ร้อนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็เราก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธพอเราไม่โกรธแล้วใจเราก็สงบใจเราก็สบายนี่แหละที่อาศัยของใจคือความสงบเราต้องมีสติเราต้องหัดพุทโธกันคำว่าพุทโธนี่ฟังแล้วมันก็ง่ายแต่เวลาทำจริงๆนี่มันยาก เพราะเราไม่อยากจะทำกันเราไม่ยอมทำกันให้เราคิดถึงเรื่องต่างๆได้ทั้งวันแต่ให้คิดอยู่กับเรื่องพุโทโธเรื่องเดียวนี้คิดไม่ได้ไม่ต้องท่องพุโทโธก็ได้ให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าคิดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาต่ตอนนี้พวกเราสบายใจเพราะอะไร เพราะตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่เดี๋ยวกลับบ้านไปพอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ปวดหัวขึ้นมาละเดี๋ยวก็กุ้มใจขึ้นมาละเดี๋ยวก็เสียใจขึ้นมาละเนี่ยมันเกิดจากความคิดของเรานี่เองดังนั้นเวลาเราเกิดความกุ้มใจเกิดความเสียใจอย่าคิดหยุดคิดให้คิดพุทโธพุทโธพุทโธกันไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะสงบใจก็จะสงบ แล้วเราก็จะสบายนี่คือวิธีสร้างที่พึ่งที่อาศัยของใจคือสร้างความสงบด้วยการมีสติแล้วส่วนยารักษาโรคใจใจก็เป็นเหมือนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันความเจ็บไข้ของของใจคืออะไรก็คือความเครียดนี่เราเครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้วุ่นวายกับเรื่องนั้น ว, วุ่นวายกับเรื่องนี้ กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้วิตกกังวลเนี่ยนี่คือโลกของใจโลกของใจนี้จะทำให้มันหายขาดได้นี้ต้องใช้ธรรมโอสถธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือปัญญาความความจิตนั่นเองพวกเราตอนนี้มีแต่ความหลงมองสิต่ต่างๆตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเราจะวุ่นวายกัน แต่ถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเราจะไม่วุ่นวายความจริงคืออะไรความจริงก็คือ ท, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่เที่ยงแต่เรามักจะไปมองว่ามันเที่ยงพอแล้วเราก็จะอยากให้มันเที่ยงพอมันไม่เที่ยงเราก็ทุกข์กันอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราพอเขาจากเราไปเราก็ทุกข์กันเพราะเรามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง เราไปมองว่ามันมันเที่ยงเราก็เลยคิดว่ามันจะอยู่กับเราแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราแต่พอมันจากเราไปเราก็เลยเสีย อ, อกเสียใจร้องหหมร้องไห้กันเพราะเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเราจึงต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเรา ถ้าอยากไปให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเป็นของเราเราจะทุกข์เวลาที่มันไม่เที่ยงเวลาที่มันไม่ได้เป็นของเราเช่นร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ยังอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราอยากไม่ให้มัน แก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนั่นเองของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเราความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นของเราของทุกอย่างที่เราได้มาสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปเวลาที่เราตายไปนี่เราเอาอะไรติดตัวไปได้ไหมเอาทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองไปได้หรือเปล่าเอาคนนั่นคนนี้ไปได้หรือเปล่าเอาร่างกายของเราไปได้หรือเปล่า เอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะของทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นของเราแต่เวลาที่เราต้องจากของเหล่านี้ไปเราก็เลยร้องห่งร้องไห้ทุ ก, กันไม่สบายใจกันเครียดกันขณะที่ยังไม่จากกันก็เครียดแล้วเพียงแต่คิดว่าต้องจากกันนี้ก็เครียดแล้วแต่ถ้าเรารู้ความจริงรู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเราก็ต้องปล่อยวางเราอย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปคิดว่าจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดต้องคิดว่าจะต้องมีวันจากกันพอเราคิดอย่างนี้พอถึงเวลาจากกันเราก็จะไม่เครียดนี่คือวิธีรักษาโรคภัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราต้องเอาความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงรู้มาสอนพวกเรามาสอนใจให้เห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเห็นให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เป็นของเราเวลามันจากเราไปเวลามันเปลี่ยนไปมันจะทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรารู้เราก็จะไม่ไปอยากให้มันเที่ยงเราก็จะไปเราก็จะไม่ไปอยากให้มันเป็นของเราเราไม่มีความอยากให้มันเที่ยงไม่เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์เช่นคนที่เราไม่รู้จักของที่ไม่ใช่ของเรานี้มันจะเที่ยงไม่เที่ยงเราก็ไม่ทุกข์มันจะไม่เป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์ เพราะเราไม่ไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นของเราเราไม่ได้ไปอยากให้มันเที่ยงนั่นเองดังนั้นเวลาทรัพสมบัติของคนอื่นหายไปศูนย์ไปเวลาร่างกายของคนอื่นตายไปเราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราเห็นว่ามันไม่ได้มันไม่เที่ยงแต่ทำไมพอมันเป็นของเราเรากลับไปเห็นว่ามันเที่ยงว่ามันเป็นของเราก็เพราะเราโง่นั่นเองเราหลงนั่นเอง เราถูกความหลงคอยหลอกเราสอนเราให้เห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงให้เห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราพอมันไม่เที่ยงพอมันไม่เป็นของเราเราก็เลยทุกข์กันแต่พูดไปจนวันตายก็ไม่เชื่อตอนนี้มีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็ยังเป็นของเราอยู่มีสามีมีภรรยามีลูกก็ยังเป็นของเราอยู่แล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาไปเ็าร้องหกล้องไห้กัน แล้วก็มาร้องว่าทาไมต้องเป็นอย่างนี้กันก็มันเป็นอย่างนี้มาถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้เราไม่ยอมมองมันเองแล้วก็เลยมาถามว่าทำไมมันไม่เที่ยงทำไมมันไม่เป็นของเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เป็นของเรานสิมาถึงเป็นอย่างนี้นี่แหละคือความตาบอดของพวกเราไม่ยอมมองความจริงกันชอบมองความหลงกันมองตามความหลงกันพอ เจอความจริงเข้าก็เลยต้องร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าเรามียามีปัญญาของพระพุทธเจ้าใจของเราจะไม่เครียดจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเลยเพราะเราจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่ถือว่าเป็นของเราจะไม่อยากให้มันเที่ยงแล้วเราก็จะสบายไปจนวันสุดท้ายของชีวิตและจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป เพราเราไม่อยากจะกลับมาเจอของที่ไม่เที่ยงไม่อยากจะกลับมาเจอของที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่อยากจะกลับมาทุกกับของที่ไม่เที่ยงกับของที่ไม่เป็นของเรานั่นเองเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับอยู่ในโลกที่ที่มีแต่ความสุขตลอดไปนี่คือปัจจัยสี่ของจิตใจที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้ทําบุญทําทานให้มีอาหารรักษาศีลให้มีเครื่องนุงง่มห่ม นั่งสมาธิให้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ใช้ปัญญาเพื่อให้มียารักษาโลกใจถ้าเรามีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ของใจแล้วใจจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์เลยและจะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ด้านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ